วันนี้ตั้งใจจะเขียนเรื่องอื่นไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยว่าจะเขียนเรื่องตายมั น, นึกขึ้นได้ว่าตอนก่อนได้พูดถึงเรื่องความเป็นแล้วตอนนี้ก็น่าจะพูดถึงเรื่องความตายไว้บ้างไม่เช่นนั้นดูไม่งามที่ตัวชอบแล้วพูดที่เกลียดแล้วเว้นแม้จะแก้ตัวว่าเอาไปพูดทีหลังก็ไม่พ้นที่จะให้ใครๆเห็นว่าลำเอียงจะเสียผู้ใหญ่เปล่าๆคิดขึ้นได้อย่างนี้จึงเลยเขียนเรื่องตาย ตายไม่มีคนชอบทั้งชาวบ้านชาววัดเกลียดความตายด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่คนที่หากินกับความตายเช่นพวกสเปรอรและพวกทำโลงขายทำเรดขายตลอดจนพวกขายดอกไม้จันก็ยิ้มแต่เฉพาะที่เห็นคนอื่นตายเท่านั้นพอความตายจะหันมาเล่นงานตัวเองเข้าบ้างก็ร้องโอยทุกคนตายเป็นสิ่งที่คนทั้งหลาย้ากันเกลียดและกลัวพระพุทธเจ้าก็สงทราบ และส่งรับรองว่าสัตว์ทุกชนิดกลัวตายทั้งนั้นแต่วิธีแก้กลัวของพระกับของชาวบ้านไม่เหมือนกันคือชาวบ้านกลัวตายแล้วไม่ยอมคิดถึงตายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ากลัวตายแล้วก็ให้คิดถึงตายบ่อยการที่เรากลัวตายแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนให้นึกถึงตายขัดความรู้สึกของชาวบ้านกลัวแล้วทาไมให้ไป น, นึกถึงมันพูดกันอย่างไม่เกรงใจพระพุทธเจ้า วิธีนี้ชาวบ้านส่วนมากไม่เห็นด้วยเลยวิธีของชาวบ้านเราถ้ากลัวแล้วก็ต้องหนีไม่ให้พบไม่ให้เห็นคือใช้แบบทารกเห็นอะไรน่ากลัวก็เอามือปิดตาเสียไม่ให้เห็นชาวบ้านเรากลัวตายก็ใช้วิธีนี้คือไม่ยอมคิดถึงเลยจนถึงกับเกิดมีพระราชบัญญัติวางข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับความตายอย่างมากมายอยู่เฉยๆถ้าใครพูดถึงตายก็มักจะถูกผู้ใหญ่ห้าม ถือว่าพูดไปหลางแม้แต่บทสวดมนต์ของพระบทที่ใช้สวดในงานเกี่ยวกับตายถ้าเอาสวดในงานมงคลเจ้าภาพก็ใจแป๊วชัจกจะไม่พอใจพระอย่างทุกวันนี้พระท่านสงสารชาวบ้านกลัวจะเสียกำลังใจเลยต้องแยกบทสวดในงานตายไว้ต่างหากอย่างเด็ดขาดเลยทั้งๆ ท, ที่บทสวดแต่ละบทเป็นพุทธวจนะและเป็นข้อธรรมะเหมือนกันก็ต้องถูกรังเกียจหาว่าเป็นบทสวดให้คนตายฟัง เรื่องของเรื่องคือจะควบคุมการใช้เสียงที่จะทำให้ตัวเองเกิดต้องคิดถึงตายเท่านั้นเองและไม่ใช่แยกแต่เสียงสีก็แยกสีดำถูกอุปโลกให้เป็นสีของฝ่ายตายถ้าใครเกิดแต่งสีดำไปในงานวันเกิดหรืองานแต่งงานถือขึ้นว่าเสียหายมากตกลงว่าตั้งข้อรังเกียจกระทั่งสีกระทั่งเสียงเป็นเรื่องของชาวบ้านที่หาเรื่องจะ เอนตี้ตายเท่านั้นคิดให้ลึกๆแล้ววิธีของชาวบ้านสู้ของพระไม่ได้ของพระท่านได้ผลเส้น ก, กว่าแนบเนียนกว่ามากส่วนวิธีของชาวบ้านที่ไม่ให้นึกถึงความตายนั้นมันเป็นวิธีที่ไม่ได้ทําให้ตัวเรามีอะไรขึ้นเลยที่จริงเป็นเพียงหลอกตัวเองให้หลงไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเท่ากับลวงตัวเองไว้ให้ความตายมันเล่นงานได้สะดวกๆเท่านั้นเองที่จริงตายหมายถึง การแตกสลายของร่างกายคือตัวเรานี้ผสมด้วยธาตุหลายอย่างครั้นอยู่ไปอยู่ไปส่วนผสมมันหมดยางแล้วแยกออกจากกันเราเรียกอาการที่มันแยกออกจากกันนี่แหละว่าตายเพราะฉะนั้นแล้วตายมันจึงอยู่เนือร่างกายเราแล้วตัวเรานี่แหละคือตัวตายเราเป็นแต่คอยเวลาว่ามันจะตายของมันเมื่อไหร่เท่านั้นเองพูดง่ายๆตายกับเราก็เป็นพวกเดียวกัน เป็นชาวบ้านเดียวกันเป็นญาติสนิทกับเราแท้ๆถ้าจะว่ากันให้สุดจริงๆตายมันก็ชื่อเดียวนามสกุลเดียวกับเราแต่ทีนี้เราเองหาเรื่องยุ่งไปกีดกันเขาไม่ยอมทำความรู้จักไม่รับรู้ไม่ให้ขึ้นสมโนครัวด้วยชั้นที่สุดลูกเด็กเล็กแดงจะเอ่ยชื่อถึงความตายเราก็ห้ามเขาก็กลายเป็นแขกแปลกหน้ากว่าจะวกมาเยี่ยมเราทีเราก็สะดุ้งสุดตัว นอกจากไม่อยากนึกถึงความตายแล้วก็ยังพยายามโฆษณาใส่ร้ายความตายโดยวิธีการต่างๆให้คนทั้งหลายเห็นว่าความตายเป็นตัวเป็นตนมีลอกอยู่ต่างหากที่เรียกว่ายมโลกบางทียังแถมตั้งบรรดาศักดิ์ให้เสียด้วยให้มีบรรดาศักดิ์เป็นพระก็มีเรียกว่าพระมริตาอยู่หนักเข้าเห็นว่าเป็นพระไม่พอเลื่อนให้เป็นถึงขั้นพระยาเรียกว่าพระยามัจจุราช จะได้หน้ากลัวมากๆแล้วยังแถมบรรจุเสนาฆ่าราชการให้เสร็จเสนาเหล่านี้ถูกส่งไปด้อมๆมองๆบีบคอมนุษย์ให้ตายแล้วควบคุมดวงวิญญาณมาส่งคุณพระมฤุตยูหรือท่านเจ้าคุณมัจจุราชที่ตั้งไว้นั้นบางทียังแถมจัดระบบการประครองให้เสร็ด้วยว่าพระยามัจจุราชมีทะเบียนสั ม, มโนโครัวมนุษย์ไว้พร้อมคอยพลิกดูบ่อยๆว่าใครหมดอายุแล้ว จะได้ส่งเสนาไปจับเอาตัวมาถึงมีเรื่องเล่าว่าบางทีเสนาไปจับตัวผิดต้องเอากลับคืนมาส่งเมืองมนุษย์ก็มียิ่งพูดมากยิ่งพิสดารตำแหน่งพระยามัจุราชนี้พอดีพอร้ายเห็นจะเป็นไม่ได้เล่นเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นคนทั่วโลกขึ้นทะเบียนเองย้ายเข้าย้ายออกเองไม่ต้องมีใครมาแจ้งไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรจึงได้เกิดเป็นพระยาเทศบาล ที่ว่านี้งานก็หนักแล้วยังมีคนเกลียดทั้งโลกที่เล่ามานี้เป็นเรื่องที่ผูกขึ้นทั้งสิ้นว่ากันที่แท้ใต้มันอยู่กับตัวเราแล้วใครมีชีวิตคนนั้นก็มีตายชีวิตของคนเรานี้ถ้าจะเขียนความหมายลงไปแล้วก็มีประโยคเดียวประกอบด้วยพยัญชนะหสระสวรรณยุกหนึ่งรวมเป็น10คือคำว่าเกิดแก่ ตายดังนั้นตายก็เป็นส่วนหนึ่งในสส่วนของชีวิตนั่นเองตายของใครมันก็อยู่กับคนนั้นกินด้วยกันนอนด้วยกันเหมือนไข่กับความแตกของไข่มันอยู่ด้วยกันเมื่อมีไข่ความแตกของมันก็กำกับอยู่ในไข่นั่นเองการนึกถึงความตายบ่อยๆได้ผลดีหลายอยา่างคือทําให้เรากล้าเพราะคุ้นกับตายนึกถึงเสมอๆความทุกข์เพราะกลัวตายน้อยลง ประการสำคัญอีกอย่างการนึกถึงความตายเป็นการบรรเทาความประมาทได้ดีบางคนคิดว่าคิดถึงความตายทำให้มืออ่อนเท้าอ่อนงอมืองอเท้านั่งรอวันตายเรื่องนี้เป็นเรื่องคาดคะเนเอาเองของคนที่ไม่อยากนึกถึงความตายเพราะความจริงกลับปรากฏว่าผู้คิดถึงความตายมากยิ่งขยันขันแข็งมากแต่ต้องนึกด้วยความรู้อย่านึกด้วยความโง่ เพราะลงได้นึกด้วยความโง่งแล้วอย่าว่าแต่นึกถึงตายเลยแม้นึกถึงยศศักวัสนาของตัวเองก็ทำให้เสียคนได้ง่ายๆโปรดคิดด้วยใจเป็นธรรมว่าชัวชีวิตนี้ท่านเห็นใครบ้างมีเสียผู้เสียคนเพราะนึกถึงความตายตามแบบพระพุทธเจ้าหรือแล้วก็คนที่เต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเที่ยวกวนชาวบ้านให้เดือดร้อนอยู่ทั่วเมืองเป็นเรื่องของคนลืมตายเสียทั้งนั้น จริงหรือไม่จริง